พระธรรมเทศนาแผ่นที่777ระดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสังจุตโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดนธานีแสดงธรรมในวันที่12เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าปีใหม่ไทยควรใส่ใจผู้มีพระคุณ พวกเราได้ยินเสียงชณีอยู่ในวัดร้องมานะชณีของหลวงพ่อชื่อสมชายนะั่นน่ะท่านีมีชื่อด้วยนะแต่อายุยืนนะหลวงพ่อเลี้ยงหมามาสองชุดแล้วตายไปหมดสองชดุดละแต่ชณียังอยู่แสดงว่าชณีต้องอายุยืน เออไม่ต่มกว่าแต่หลวงพ่อว่าไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีชะนีตัวนี้หรืออาจจะถึงสามสิบก็ไม่รู้นะยี่สิบกว่าปีแ่ะชะนีตัวนี้อายุยืนแต่มันก็ยังกระโดดโลดเต้นกระโดดใส่กิ่งไม้ได้อยู่แต่ตามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตารูสิว่าตาข้างหนึ่งมันกับตาคนอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ฟันมันมันกระหลุดเหมือนกันคือเหมือนกับคนนะ มันก็แก่เหมือนกันนะฟันหลุดแต่ก่อนเวลาโยนแอปเปิลให้รับมับเลยแต่ได้โยนแอปเปิลให้เชยก็มันคงกัดไม่ได้ว่ามันเขียวมันหมดแล้วว่างั้นเอถ้าโยนกล้วยให้รับปั๊บเลยตะลีเลยว่างเแปลว่ามันกินกล้วยได้ว่างั้นแต่โยนแอปเปิลให้ไหนโยนทิ้งเลยว่างั้นเไม่สุขไม่สวโยนอไรลเชยเหมือนกระตามันไม่เห็นลักษณะอย่างนั้นพุ่นะ อันสิ่งที่มันต้องการมันมันมันรับทันทีนะไอ้ตัวที่มันไม่ต้องการเ er ่อโยนให้ท่าไหระเชยแต่ก่อนใหม่โยนพวกแอปเปิ้ลอะไรให้โอ้รับหมดเลยกินหมดอกินกินตัว น, นี้เลยเอากินผลไม้ลูกอื่นอกีกอันไหนที่มันอร่อยมันก็กินมากๆากนะทมะม่มวงนะโอ้โหาได้เม็ดมกกันก็เลี้ยเลี้ยงเลยอยีก เรียเม็ดในมันเหมือนกันชอบมะม่วงนี่แหละพวกสัตว์ที่ไ้ฉานดูดูแล้วยังเมื่อเช้านีก็ตรงพ่อออกมาจากกุฏิมาถึงศาลาลกน้ำร้อนถามเด็กกับตู้ขาทำอะไรดูแลจับแมวอ้าว ตัวแมวตัวนี้รู้สึกว่ามันเข้ามาวัดนานแนละ้พระก็พยายามจับมันอยู่แต่จับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแมวทําไมจึงจับเพราะว่าพวกสัตว์ที่ทําร้ายทําลายสัตว์อื่นเนี่ยหลวงพ่อจะให้จับไปปล่อยที่อื่นเพราแมวเนะี่ยมันกินพวกกระแตกระแตกระรอกพวกนี้แหละมันไม่ใช่กินแต่หนูนะแต่หนูก็ไม่ควรจะให้กินเหมือนกันนะ่ะ เพอมันเป็นสัตว์เบียดเบียนสัตว์อื่นสัตว์ที่เบียดเบียนสัตว์อื่นเกินไปอย่างงูนะ่ะงูหลวงพ่อก็ให้จับออกเหมือนกันแมวแล้วอีเห็นถ้าอีเห็นได้จับได้ก็จับสัตว์ที่เบียดเบียนสัตว์อื่นแต่แมวมันมีอยู่มันกินกร ะ, ะแตจนแถวข้างๆซาลานนี้หมดมันมีแมวอยู่สองตัว แต่ที้ต่อมามันมีลูกมื้อเช้าในหลวงพ่อเห็น เ, เห็นทุ้แตก่อนมันก็กลัวคนนะแม่ของมันแต่พวกเด็กเขาไปจับลูกมันเละเอาลูกมันมาร่อเออเนี่ยแหะความรักลูกหลวงพ่อก็มาเห็นเนี่ยความแม่รักลูกเนี่ยเอขนาดสัตว์ที่รักฉานยังเห็นลูกแล้วโอ้ไม่หนีไปไหน เ, เด็กทั้งกอมทั้ง แม่อุ้มทั้งลูกของมันฮะแต่ตามปกติมันจะไม่ให้คนใกล้มั น, นะพอเห็นคนโดดจัดเข้าป่าเน่เร็วยิ่งกว่าเร็วเป็นเหมือนแมวป่าไปเลยแต่เมื่อเช้าเนี่ยพอเด็กเอาลูกมันมาเท่านั้นจับลูกมันมันเห็นลูกมันเท่านั้นใครเ ข, า, ขาว่ายอมตายเพื่อลูกนะไปพวกเราเห็นนั่นนหะ ไม่ว่าสัตว์ที่ไรฉานไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนรักลูกห่วงหาอะไรลูกเนี่ยเป็นสุดๆนะแต่ลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยไม่ค่อยห่วงกันเท่าไหร่นะอถ้าลูกไม่ค่อยห่วงพ่อแม่เท่าไหร่แต่พ่อแม่เนี่ยห่วงลูกนี่เอาชีวิตเข้าไปแทนได้เลยเหมืนกันนะอ่า ขนาดกลัวคนกลัวขนาดไหนกลัวเหยื่อกลัวขนาดไหนแต่ถ้าว่าคนก็ดีเหยื่ยวก็ดีสัตว์อันไหนก็ดีที่จะมาทําร้ายทําลายลูกของตัวเองเนี่ยไปว่าเข้ากระโดดเข้าไปสู้อย่างสุดๆเอาชีวิตเข้าไปแลกเลยเนี่ยที่หลวงพ่อพูดให้พวกเราฟังนะพวกเราได้สังเกตไหมหลวงพ่อเห็นนะเออความรักลูกของพ่อแม่ไม่ว่าสัตว์ที่ไรฉาน ไม่ว่ามนุษย์นะแต่ถ้าหากว่าผู้มนุษย์ของเราเนี่ยเอาลูกไปทิ้งเนี่ยจะได้รว่าลูกเนี่ยเป็นแม่ของลูกคน น, นั้นคงเป็นอริศัตรูกันมาแต่ในอดีตชาติเขาคงจะเป็นยักษ์เป็นโขมาหรือเป็นอริศัตรูกันมาก่อนจึงกล้าทิ้งลูกของตนเองถ้าเราเป็นมนุษย์มนาหรือว่าเป็นผู้ผูก พันกันมาเนี่ยชีวิตแม่พ่อแม่เลี้ยงเข้าไปประกันเอาประกันเอาชีวิตเข้าไปประกันลูกของตนเองเลยล่ะ <c oughs> วันนี้มีพระในวัดของเราทั้งหมดห้าสิบสี่รูปนะคณะสัายาติโยมแต่วันนี้พูดที่จะลาสิกขาก็มีเพราะว่าเป็นคณะผ อ, อ, อ, อบวชเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระเทพของเราถึงกำหนดที่จะล า, ลาสิขาก็หลายองค์แต่ผู้ยังมีอีกอยู่อีกก็มีลาไปเยี่ยมบ้านก็มีแต่สรุปแล้วคือคือบวช15วันแต่ผู้ที่อยู่ต่อไปก็มีอยู่หลายองค์วันนี้เป็นวันที่สิบสอง เมษายนพุทธศักราช2558วันพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทยเมืองไทยของเราเน่ปีมีปีใหม่หลายหลยปีใหม่เหมือนกันนะวันหนึ่งวันที่หนึ่งมกราเนี่ยวันปีใหม่สากลรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนก็ให้ความสำคัญ ทำไมจึงว่าให้ความสำคัญพอในช่วงนั้นก็คนตายเยอะเหมือนกันพอกลับขึ้นมาบ้า น, นะะลดก็รถเฉียวรถชนพอสงกรา น, นอีกวันหนึ่งวันปีใหม่ไทยเล่นสงกรา น, นก็ไม่แพ้กันกับวันที่หนึ่งมกราแต่วันตรุษจีนก็คือมีแต่พี่น้องชาวจีนก็มากพอสงควรอยู่แต่เป็นวันปีใหม่ของ พี่น้องชาวจีนแต่คนไทยเป็นลูกน้องเขาก็เ ม, มาไม่เช่นน้อยเหมือนกันนี่เราวันพุ่งนี้เป็นวันสงกรานเป็นวันปีใหม่ไทยทราบว่าพี่น้องประชาชนขึ้นมาจากกรุงเทพรถติดเป็นพวนมาเลยกว่าจะมาถึงบ้านของพวกเรารู้สึกว่า ใช้เวลานานทีเดียวลดติด เ, เวลาจะลดจะกลับอีกเหมือนกันแต่คราวนี้รู้สึกว่าทางรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนหยุดสงกรานจะหลายวันทีนี่ปีนี้แต่ถึงยังไงการหยุดสงกรานทางรัฐบาลหยุด เ, เป็นวันสงกรานมากก็คืออยากจะให้พี่น้องอคนในชาติ เ, าเข้ามาขึ้นไม้เยี่ยมบ้าน เที่ยมพ่อแม่หรือทำกิจกรรมที่มันค้างอยู่อันไหนที่ยังค้างอยู่ก็คิดว่าเออเราได้วันลาหลายวันขึ้นไปทำกิจการ เ, าเรื่องเรื่องนั้นๆหรือไปวางแผนการทำกิจกรรมเรื่องนั้นๆแต่ทางรัฐบาลเขาไม่มีเจตนาให้วางแผนความชั่วนะ เขาทําให้วางแผนความดีอัไหนคือดีวางแผนสิ่งนั้นวางแผนทำมาค้าขายวางแผนการตลาดวางแผนการเงินที่ตัวเองจะต้องจัดจะต้องทำํำไม่ใช่วางแผนฆ่าคนอย่างนั้นไม่ใช่นะวางแผนซื้ออาวุธวางแผนค้ายาบ้าไม่ใช่รัฐบาลเขาไม่มีเจตนาอย่างนั้นเจตนาคืออยากจะให้พี่น้องประชาชน ทุกหมูทุกเหล่าขึ้นมาได้พบพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายตลอดถึงาการทำมาค้าขายาคบค้าสมาคมประชุมหารือห า, ห า, ารือกันเกี่ยวกับาการทำมาหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตคือเจตนาของผู้ที่ให้หยุดนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในขึ้นมาขึ้นมาพบพ่อแม่ หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าบางคนอพอออกมาจากสํานักงานก่อนที่จะออกมาจากสํานักงานก็กินเลี้ยงกันก่อนพอกินเลี้ยงกันก่อนก็นเมาเม า, าจากสํานักงานาหมู่พวกเพื่อนกัเป็นคนขับรถอพอมาถึงบ้านก็นเม า, เามาถึงบ้านก็นเมาอีกอาทางบ้านเลี้ยงกันอีก ผลที่จุดเมามาทั้งมาเมาไปทั้งกลับอันนั้นแปลว่าไม่ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าผู้ที่รู้จักอยู่แล้วว่าปีใหม่เราจะต้องขึ้นไปพบพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีอุปกระ์คนเราจะควรจะเตรียมอะไรขึ้นไปบ้างคราวนี้คนเราควรจะไปเยี่ยมพ่อแม่ของเราหรือปู่ย่าตายายของเราหรือพ่อตาแม่ยายหรือปู่ย่า เราจะแยกย้ายกันไปยังไงในครอบครัวแล้วก็บอกกันเรื่องเราจะไปทั้งครอบครัววันแรกก็ไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายก่อนหรือมาเยี่ยมปู่ย่าก่อนวันต่อไปก็ไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายสรุปแล้วก็คือให้ไปทั้งสองฝ่ายถือว่าทั้งพ่อทั้งแม่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงมันเหมือนกันให้ลูกทั้งหลายให้ความสำคัญในทั้งสองฝ่ายเหมือนกัน อย่าให้เหลื่อมล้ำกันถ้าว่ามีการไม่เข้าไม่เข้าใจกันนั่นหละการทะเลาะบวกแวกันเรื่องความไ ม, ไม่ไว้ใจกันมันเกิดขึ้นแล้วครอบครัวของเราอย่าหวังเลยความสงบสุขจะเกิดขึ้นราบรื่นมันก็คงจะแหนะแวงแคลงใจกันอยู่เพราะนั้นทั้งสองฝ่ายพวกเราควรจะ ให้ความสำคัญเสมอกันทั้งพ่อตาทั้งแม่ยายทั้งปู่ย่าเข้ามากราบด้วยความสนิทกับขลุวะด้วยความสนิทสนิทจากนั้นขอการแบ่งปันที่เราได้มาปีหนึ่งเราขึ้นไปปีขึ้นไปเยี่ยมพ่อแม่เราก็ควรจะมีเราแส ว, วงหาทรัพย์มด้วยลาแข่งของเราด้วยสติปัญญาของเรา เราก็ควรจะแบ่งไว้เป็นกองกองเป็นส่วนๆไม่ใช่ว่าก็เอามาแล้วก็ใช้ไอร้รวยช่วยแชกไม่ได้คิดอ่านอะไรเลยก็ไม่ถูกนะอย่างคนโบราณท่านยังพูดเอาไว้ยังชายทุกตะชายทุกตะไปทรมาค้าขายสมัยนั้นเขา เ, ออเมืองพาราณสนะีเป็นเมืองใหญ่ แต่ที่มีทุกตะชายทุกตะคนหนึ่งขยันเขาไปหาไม้หาฟืนแต่เขาไปหาที่ไหนก็าหาลำบากนะสมัยนะั้นมันเป็นป่าโล่ง เ, เขาก็ไปเก็บที่ไม้แห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปา่าชาป่าชาที่ชุมชนป่าชุมชนปาช่าชนะาเขาก็ไปได้ไม้แห้งมาแล้วกเก็บเก็บเก็บใส่ฟืนมาใส่เกวียนของเขา เต็มเกวียนเขายังแบกใส่บาอีก เ, อเพื่อจะให้มันได้มากาจากนั้นเขายังร้องราทําเพลงอีกสนุกสนานาาไม่ได้สะทกสะทานไม่ได้ยอยอท่อในชีวิตของตนเองข่าขาเกิดมาชาตินี้เป็นคนทุกข์น้อยหน้า ต, ตําตาคนทุกขตะไม่ได้คิดเหมือนกันมีแต่คิดว่าจะทำยังไงชีวิตของเราจะไปได้ดีไปได้รอด นี่แหละคือความหมั่นความขยันความอดทนความมี mana ไม่ย่อท้อเพราะเราเกิดมาแล้วเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเราเกิดมาทีแรกเราเกิดเป็นโรคลูกเศรษฐีเราก็คงจะไม่ได้ไปหาฟืนในป่าช้าที่ที่กลัวผีแั้นแต่นี่ทำยังไงได้เราเกิดม า, เ, าเป็นทุกขะจากนั้นท่านกับเข้าไปหาฟืนในป่าช้ า, าแล้วก็ใส ฟืนใ่เกวียนมาแล้วก็อขึ้นแบกส่บาอีกต่างหากอย่างร้องรำทำเพลงอีกต่างหากจากนั้นขายฟืนล้วคือเอาเก็บเป็นส่นสวนๆเก็บเงินไว้แบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนต่อมาพระเจ้าแผ่นดินเสด็จรอบพระนครอรอบปานนครไปเ็ไปเห็นเห็นชายคนเนี้น่ ะ, อะพอเห็นแล้วก่อนอ บางทีพระ อ, องค์ก็ปลอมแปลงพระ อ, องค์เองเองอีก เ, อเสด็จรอบพนาครแตาเห็นชายคนนี้ก็รู้สึกว่าเขาลื่นเริงเขามาีความสุขเขาไม่ได้ซสสกจ่าทานแล้วก็ให้สันติบาลแล้วนะ่ะไปถามถามรู้สิว่าเนี่ยเขารายได้ของเขาขายฟืนเนเ่เขาได้อย่างไงนะเพราะว่าทางรัฐบาลแลืทาง พระราชาก็ยังจะรู้กังไยการของชีพแต่และ ว, วิชาอาชีพเนี่ยได้เงินมาเท่าไหร่แต่ละวันเขามีการของชีพเขาขายฟืนอย่างเนี้ยเขาได้เท่าไหร่เขาก็ไปถามเวลาเขาเรียกพระราชาเขาเรียกเขาไปถามลเลยเธอขายฟืนได้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าได้เท่านั้นเท่านีเ้เมื่อเมื่อเธอขายฟืนได้แล้วเนี่ย เธอเอาไปใช้ยังไงเงินเงินของเธอที่เอาไปใช้เนะี่ยเธอใช้ยังไงทุกาตะก็บอกว่ากัะผมแบ่งเป็นกองๆเป็นเป็น เ, เป็นชุดๆไม่ได้รวมไว้ทีเดียวแบ่งไงแบ่งเป็นชุดๆหรือแบ่งไปเพื่อใช้อะไรพระราชาก็ชักไซายเลี่ยมเพราะว่าแบ่งไปใช้เพื่อไปซื้อยาบ้ายามะใช่ไหมละ่ะ ไปทำความผิดเนี่ยพอรายชาก็จะต้องซักไซาลเรียนถามแบ่งเป็นยังไงแบ่งให้ใครบ้างแต่ชายคนนี้ก็บอกว่ากองหนึ่ ง, งคล้ายๆว่าชุดหนึ่งผมแบ่งเป็นจว่างเงินผมมีเงินร้อยบาทอย่างไรนะยี่สิบห้าบาทผมอไปฝังดินยี่สิบห้าบาท ผมออกไปบูชาเทวดา25บาทผมออกไปลงปล่อยลงน้ำทะเลทิทงลงน้ำทะเล25บาทผมเอาไปยื่นให้าปากงูเห่างูจงอางลักษณะอย่างนั้นแหลอพระราชาก็งง ม, มันอันนี้มันเป็นยังไงวะมันทำไมไปเอาไปฝังดินอีกต่างหาก แล้วก็ยังไปเอาลงโจรลงน้ำลงทะเลอีกต่างหากมันเอาไปยังไงฮะพูดโดยใพูดให้ตรงๆที่ว่าแต่แกเอาไปใช้อะไระเราในสงสัยว ะ, ะเฉลยให้ชัดเจนซิทุกกตะคนนั้นเ็าบอกว่าก็ผมเอาไปฝังดินใครยๆว่าเอาไปเก็บไว้ไปทำบุญหรือเอาไปฝังดิน เพื่อใช้ในปรารถนาภัยภาคหน้าอผมได้เก็บเอาไว้อันที่สองเนี่ยผมเอาไปบูชาเทวดาคือผมเอาไปให้พ่อแม่ผู้มีอุปกระคุณสําหรับผมที่เลี้ยงดูผมมาผมก็ต้องไปทดแทนพระคุณของท่านอันนี้คือถือว่าเสมือนว่าพ่อแม่เป็นเทวดาเป็นเทวดาของลูกสูงส่งที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้ว เราก็ควรจะเลี้ยงท่านต่ออันนี้เราควรจะผมก็เอาไปให้พ่อแม่ส่วนนึงที่ขายของได้แล้วเราไปโยนลงน้ําทะเลละ่ะเอาโยนลงน้ําทะเลคือผมกินเองเอาไปใช้เอามาถมทเท่าไรมันก็ไม่เหลือเอามาใช้ทเท่าไรมันก็หมดหมดหม ด, หมด เ, เหมือนกับโยนลงน้ํมามหาสมุทรทะเลเอามาใช้เองเอ่อก็ไม่ว่ากันนะทําไมางูเหา่างูจงอางละ่ะ ทำให้จําเป็นจะต้องไปให้มันยังไงเอาไปให้มันยังไงเอเงินเอาไปให้ปากเอาไปให้งูเหางูจงอางกินเนี่ยมันเอาไปยัดให้เข้าปากมันทํำยังไงเออมีงูจงอางด้วยเหรอคือผมคิดว่าไนงะในชาโดกนะเขาในชาโดกทุกกะตะนะแต่ไม่ใช่ยุคสมัยนี้นะลูกหลานนะชุกตะตั้งานกระจกพูดมาในบาหลี งูเหา่างูจงอางคือลูกกับเมียกันนะเออถ้าถ้าผมไม่เอาให้ไม่ได้เดี๋ยวลูกกับเมียมาดา่ามาว่าให้ผมเป็นพิษเป็นภัยผมก็เลยจําเป็นจะต้องเอาให้เขาเออเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้ด้วยความอตั้งอกตั้งใจเอด้วยอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุขถ้าผมไม่ให้เขานะั่นะนะ่ะเขาเดือดร้อนนะ่ะผมจะหาความสุขได้อย่างไร เพราะนั้นผมก็จะต้องแบ่งให้ลูกให้เมียของผมอีกนี่แหละพระราชาโอ้ชายทุกขตะเนี่ยเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญ า, นนญญารู้สึกมีมานะมีความอดทนมีความหมั่นขยันอีกต่างหากได้เงินมาแล้วก็รู้จักแบ่งแบ่งสรรปันส่วนเอ้เอาไปคนอย่างนี้หายาก เอาไปผู้เป็นผู้บริหารแผ่นดินเร่เยตั้งให้เป็นอัมมาศผู้หนึ่งให้เข้าตั้งให้เป็นเจนาอัมมาศคนหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินเพราะเป็นคนมีปัญญาเนี่ยแหละอันนี้คือพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายถึงจะทำมาค้าขายไปทำมาค้าขายขึ้นมาก็ไม่ควรลืมพ่อแม่ส่วนหนึ่งแล้วก็ควรจะทำบุญเก็บไว้ หรือว่าเก็บไว้ในนธนาคารก็ได้ เ, เก็บไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับตนเองในครอบครัวตนเองอันนั้นก็ควรจะมีอนาคตของเราเป็นยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงแล้วมีปัญหาอะไรถ้าเราไม่คิดถึงอนาคตของตัวเองเฉลยมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะเก็บไว้ส่วนเนืงเองไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไหร่อิรุยชุยแชกทั้งหมด เก็บมาไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักหามาแล้วไม่รู้จักเก็บแล้วก็ไม่รู้จักใช้อีกต่างหากการที่ไม่รู้จักใช้คํานี้มันกว้างขวางนะเออบางทีก็ใช้ก็ใช้ผิดประเภทไม่รู้จักใช้เออบางทีใช้ซื้อยาบะยาม้าซื้อของผิดกฎหมายซื้อปืนไปฆ่าคนอย่างนี้เออเลือดยางไปฆ่าคนอนี้แปลว่าได้เงินมาใช้เงินไม่ถูกต้องถ้าหากว่าใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์แก้วสารพัดนึกนี ท่านึกผิดมันก็ผิดเหมือนกันนะท่านนึกถูกมันก็ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินก็คือแก้วสารพัดนึกถ้าเราจะใช้อะไรเราใช้ได้ทั้งหมดเมือ่อใดเงินมาแล้วแต่เราจะนึกไปทา ง, ทางชั่วหรือเรานึกนึกไปทางดีท่านนึกไปทางดีเขามีประโยชน์มีประโยชน์กับตนมีประโยชน์กับญาติพี่น้องมีประโยชน์กับประเทศชาติ บ, บ้านเมืองมีประโยชน์กับโลกนะท่านนึกไปทางที่ผิดแล้วก็จีบหายวายปวงไปเหมือนกันนะ เพราะนั้นขอให้ลูกหลานขนา้าราทกาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะไปทำมาค้าขายขึ้นมากันนะ่ะได้เงินมาแล้วก็ควรจะดูแลพ่อแม่แล้วก็ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านคือฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการทาบุญด้วยาเก็บเอาไว้ส่วนนึงเพื่ออนาคตของเรานี่แหละอันนี้ถ้าหากพวกเราแบ่งถูกต้องอเป็นธรรมแล้วก็ มีแต่ความเจริญนี่แหละพระ พ, พระพุทธเจ้าท่านว่าในชาตินั้นะเราเนี่แหละเกิดเป็นทุกขตะแต่พระเจ้าแผ่นดินคือพระอานนท์นี่แหละคนกลุ่มเดียวกันไปเห็นกันเมตตาต่อกันทันทีนะถึงจะตกทุกข์ได้ยากยังไงก็พยายามดึงขึ้นมาแต่พอดึงขึ้นมาเนี่ยก็จงรักพักดีนะใครๆบอกรักเมตตาซึ่งกันและกันไม่หักไม่ร้างกันนะ เพราะเพราะคนกลุ่มเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทางหลายเนี่ยบางทีก็เกิดในภาษาริบุตรบางทีก็สู้กันจนหัวล้างข้างแตกนะแต่พอผลนิสุกออกมาจับมือกันจูบ ป, ปากกันงั้นบัดเมตตากันแต่คนอื่นที่ตายไปก็ตายไปอย่างว่าเนี่ยแต่เจ้านายเานี่ย เ, เข้าใจกันรักกันเมตตากันเข้าใจกันนี่แหละแต่ถ้าว่าเป็นกลุ่มของเทวทัศน์แล้วก่อนะ แปลว่าฆ่ากันให้ตายข้างใดข้างหนึ่งนะแต่พระจุยมากพระพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ค่อยแต่ฆ่าก็อนมีตลบอย่างเดียวพระเทวทัวตมีแต่ปลูกพยาบาทอาฆาตตลอดแต่เทวทัตปผูกพยาบาทแต่พระพุทธเจ้ามีต ล, ลบลหลบลีกปลีกลบลีกปีกตัวผลที่สุดก็ผ่านพ้นกันไปแต่บางท่านบางครั้งก็ถูกภัยวิบัติเหมือนกันนะภัยวิบัติ ผายเหมือนกันอย่างพระเทวทัตชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นลิงอยู่ในป่าหากินอยู่ในป่ามีบริวารมากแต่ท่านี้พอต่อมาน่ยลิงโดนมากพระโพธิสัตว์จะกะตั่นอยู่นะจักจั่นอยู่รู้คุณ ข, ของของแม่ของพ่อถึงเราจะเกิดเป็นสัตว์ธีระฉันเราก็ยังไ ม, ไม่ลืมพระคุณของบิดามารดาเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือสัตว์ พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าท่านท่านจะไม่ลืมพระคุณของพ่อของแม่แต่ชาตินั้นเราเกิดเป็นลิง เ, เป็นลิงอยู่ในป่าแต่มีบริวารมากต่อมาเราก็เป็นได้เป็นหัวหน้าลิง เ, เป็นหัวหน้าลิงแต่นั้นเราก็อยู่ในป่าหากินเวลาลิงจะไปที่ไหนเราก็ต้องมีหัวหน้าเดินนำหน้าหาผลหลม้ลากไม้ควรจะย้ายไปที่ไหนป่าไหน กลุ่มไหนหัวหน้าก็พาไปแต่เราก็เมื่อได้ผ ล, ลไม้พราเราเป็นผู้นำหน้า เ, เราก็ได้ผ ล, ลไม้สุกดีเราก็บอกให้ลิงเสนาของเราเคือคล้ายๆสมุน เ, นเออไปเอาไปผ ล, ลไม้ไปให้แม่เรานะแม่ของลิงตอนนั้นแม่อายุแกตาบอดนะแม่ตาบอดเอาไปให้แม่เรานะแต่ก็มีน้องชาย ลิงตัวนั่นนะ่ะตัวหนึ่งาจากนั้นผมพยายามให้แม่ขี่หลังทั้งน้องชายทั้งพี่ชายนั่นนะ่ะไปอยู่ในป่าพอพี่ชายได้ผลไม้มาก็ส่งมาใหา้มาฝากมาให้ลิงแม่แล้วก็ถามแม่ว่าแม่เป็นไงผมฝากผลไม้มาวันนี้โห้ผลไม้ดีนะ เป็นไงได้ได้กินไหมแม่แม่บอกโอ้ปีนไม่ดีแบบเหมือนก่อนนะนะอั่นนะกินหน้อยเดียวเองเอทางถามน้องชายว่าน้องชายเป็นไงโอ้ดูสิผมไม่ไม่ดีนะพี่แสดงว่าลูกน้องของบริวารของเราเนี่ยเราฝากของไม่ให้แมนะ่แสดงว่าเลี้ยงบริวารของเราเลยกินของแม่ของเรานะ่นะไม่ซื่อสัตว์แล้ววะ ถ้าเราทำอย่างนี้เราเลี้ยงแม่คงจะไม่สมบูรณ์หนีหนีออกจากหมู่ดีไหมพูดกับ น, น้องชายน้องชายเอา้าชุดแท้แต่พี่จะพาไปแหะเออเอ้ปะเวลากลางคืนเดือนหายเราควรจะให้แม่ขี่หลังของเราหลบไปที่อื่นออกจากไปจากหมู่เราจะได้เลี้ยงแม่ของเราอุดมสมบูรณ์แต่เราอยู่อย่างนี้คงไม่ได้เดี๋ยวส่งอาหารมาให้กันนี่นะ ถงมาตกถึงแม่ก็ก ล, กล่ำกรกแลมอาหารผลละไม้ไม่ดีเลยที่ที่เราเห็นเห็นเอานีนะน้องชายก็เห็นพ้องตองกันก็เลยพอเดือนไงเท่านั้นนะก็ให้แม่ขึ้นขี่หลังตัวเองเนะ่องเองที่เป็นหัวหน้าจ่าฝูงนะพอขี่หลังเสร็จแล้วก็ไปแล้วไม่ออกหมู่ห่างๆอรแบบนันนะ ห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้เพื่อไม่ให้มูติดตามหาเห็นจากนั้นก็เราก็มีลิงอยู่สามตัวเท น, นมีพี่ชายแล้วก็น้องชายแล้วก็มีแม่ตาบอดแต่นี้นก็ไปอยู่ไปเห็นก็ขึ้นไปเห็นต้นไทรต้นไทรกำลังออกลูกออกดอกออกดกนะอตทนี้นก็พี่ชายก็ขึ้นไปก็ไปก็กินเอาแม่ขึ้นไปด้วยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ แต่ที่บังเอิญวันหนึ่งเ ท, e, ท e, วทัตที่เป็นนายพรานน่มันมันมันเจอกันนะอค่อยๆกงล้อกำเก ร, รเเียนมันพบมาพบมาเจอกันเข้าไปวันนั้นนายเท e, วทัตเนี่ยเป็นนายพรานอยู่ในในชุมชนถิ่นนั้นเข้าไปหาล่าสัตว์ในป่าพอเข้าไปหาล่าจะไม่ได้ป่ะไม่ได้สัตว์แม้แต่ตัวเดียวเอเท e, วทัตไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้สัตว์เลทีนี้ก็เดินออกมาเดินเดินเดินออกมามา แลผ่านต้นไทรพอผ่านต้นไทรเลยเห็นลิงแท้เลยเออเห็นลิงโอ้ลิงตัวนี้วะเออถ้าไม่ไม่ได้อาหารนี่ยเอาเลิงเนี่แล้ววะไปกินเลยคือสาวสองพี่น้องเลยเห็นก่อนแล้วเห็นเทวทัตนายขามังธนูไอ้นายนายพรานป่าเนี่ยถือธนูมาโอ้สงสัยไอ้นี่มันจะฆ่ามันจะจริงนั่นแหละหลบหลบนะเราเราหลบหลบคือเอาเอ า, เอาแม่หลบไม่ทันมางั้นแหะ แม่ในนั่งอยู่ในกิ่งกิ่งกิ่งง่าครบของไม้นี่มันก็อยู่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ลูกชายเนี่ยหลบไปมดไปบังอยู่กิ่งไม้กิ่งอื่นเพราะให้แม่มีแต่นั่งตรงมงอยู่ในกิ่งไม้ให้มันลิงตาบอดลิงตัวเมียลิงแม่ทีนี้พอนายผ่านมาเห็นเอ้ยยังไงก็เอาลิงไปกินว่าวันนี่มันหาล่าสัตว์ในป่าไม่ได้ ท่านลีนายผานป่าน่าจะขึ้นขาธนูเลยวงั้ น, นนะขึ้นขาธนูกงขึ้นมาก็พาดลูกธนจูจะเหนียวยิงใส่แม่ลิงนะลูกชายตัวลูกชายเห็นท่านั้นแหละโอ้ไม่ได้ฆ่าแม่ของข้านะกันโดนวิ่งปุ๊บลงมาจากกิ่งไม้แล้ว่างั้นเออมากันนะกกนนะถ้าจะยิงแม่ยิงฆ่าดีกว่านะ พ่อหน่ายผ่านก็ไม่ล้างรอแล้วนนเหมือนกันปล่อยธนูใสเลยน่ะยิงใส่ตัวที่ที่เป็นลูกชายน่ะลูกคือเป็นหัวหน้าสายโป๊กเข้าไปก็ติดเลยถูกเลยพอถูกเลยธนูอาบด้วยยาพิษใช่ไหมกระตกต้มลงเลยซักดินชักดินจังอเพราะถูกยาพิษเนี่ยตายเลยพอตายลูกชายคนที่สองก็มองอีกเอะมันเอาตัวเดียวก็น่าจะพอมั้งนี่เหมือนกัน ลูกชายตัวตัวที่สองก็รอรออยู่นะอ่าพอจะนด้ไอ้นายพรานะมันเอาตัวหนึ่งแล้วยังไม่ป้อมยังจะเอาตัวที่สองอีกที่นั่งตรงหมงอนี่นะนี่เป็นแม่นะอพอมันก็ขึ้นขาธนูนก็กงขึ้นมาอีกลูกชายน้องชายในะเอา่ามันจะยิงแม่ของข้าอีกว่านาะเอากระโดดลอีกขวางอีกขวางไม่ให้ยิงแม่ น, ะนี่แหละพระโพธิสัตว์ท่านรักแม่ท่านรักถึงขนาดนั้นนะอ่าเพรานฉนั้นก็ยิง น้องชายอีกโต๊กอีกตกต้มอีกตายอีกอผลที่สุด เ, เทวทัตก็ยังไม่ลดละเจะเอาทั้งสามตัวเลยวั้นนะผลที่สุดขึ้นธนูอีกยิงอีกตกตายทั้งสามตัวเลยวันนะเทวทัตได้ลิงสามตัวออสองตัวก็หบับใช่ไหมอยู่คนละข้างกันตัวหนึ่งก็หิว้วใช่ไหมมัดขาเลยก็หิ้วเลยเ อ, อเข้าไปถึงบ้านนะพอไปถึงบ้าน ยังไม่ถึงบ้านดิไ ฟ, ไฟไฟไหม้บ้านเทวทัศนะไฟไหม้บ้านนายพรานนะไม่ขึ้นมานายพรานเสียอกเสียใจกระโดดเข้าไปในกองไฟไฟเลยไหม้นายพรานอีกนายพรานก็เลยตายในชาตินั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าเราเป็นลิงตัวใหญ่เป็นพี่ชายแต่ลิงตัวที่สองคือพระอานนท์ลิงตัวที่สามคือแม่นก็คือ นางสิริมหามมายาที่เป็นแม่ของเรา น, ะนี่แหละอัเดีกก็คือพระโพธิสัตว์ถึงท่านเป็นสัตว์ติราชานท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่เคยทิ้งพ่อทิ้งแม่เราเสียสละแทนพ่อแม่ได้เพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาติโยมลูกหลานชาวพุทธทุกคนนะผูใ้ใดใจดีที่พ่อแม่ว่าให้ว่าก่าให้ น, นิดๆน้อยๆก็โมโหโก้ให้พ่อให้แม่ไม่น่าจะถูกนะเพราะ สมัยก่อนเนเหตุไมนะเ้เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามานะเราเคยดุด่าว่าเกา่าพ่อแม่ร้อ ง, องห่มร้องไห้ตีอกชกหัวเ อ, อตีต่อยพ่อแม่พ่อแม่คือมิแต่เออเออเออนะแต่พอใหญ่ขึ้นมาแล้วเราจึงจะใช้สิทธิ์อย่างเก่าอยู่มันก็ไม่น่าจะถูกนะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะลูกหลานทุกคู่ทุกคนพนะระโพธิสัตว์นี่ยพระพุทธเจ้า ท่านให้รู้จักพระคุณของบิดามารดาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนิทานหรือว่าชาดกนี้มาในพระไตรปิฎกนันลูกหลานนะท่านมาในชาดกนะห้าชาติของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราก็เป็นแนวทางหนึ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังสําหรับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทิ้งบิดามารดาถึงมาเกิดมาพบในชาตินี้ก็เถอะเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมา ไปสูตรมาได้เจ็ดวันพระมารดาก็สวรรคตคือขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่ออายุ36ปีพ่อบวชบวน29ใช่ไ้ยไปบมเพ็ญอยู่6ปีได้ตดรัสรู้อายุ36ปีพระพุทธองค์ก็ประกาศพระศาสนาจากนั้นก็นมาปโปรดพระบิดาพระเจ้าจุโธทนะ มากโปรดทั้งเวียงวังเนี่ยโปรดที่แรกได้สาเร็จพรสัสดาครั้งที่สองได้พระนาคาพอที่จะพระเจ้าจุโถทนะเ อ, อจะละขันคือจะมรณภาพพระพุทธองค์เข้าไปเทศในห้องบรรทมเลยไปแทนแสดงธรรมให้ฟังพระเจ้าจุโถทนะได้สาเร็จเป็นพระรหันในห้องบรรทมนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมาได้ลดละ ท่านให้ความสําคัญเรื่องพระบิดาจากนั้นเมื่อพระองค์โปรดเวนยยัตว์ทั้งหลายพอสมควรแล้วพระองค์ก็ขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาววันดึงพระบิดาพระมารดาอยู่ชั้นดุสิตลงมาอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดอยู่ชั้นดาวดึงชั้นพระอินทนระ์เน่ยเจ้าว่าไปจำพรรษาสักสามเดือนอยู่บนสวรรค์นี่แหละ พระพุทธเจ้าถึงท่านจะได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาท่านก็ไม่เคยเลืยงบิดามารดาของพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้ากภูใดก็ตามนะดูถูกเกลียดย้มพ่อแม่หาความเจริญไม่ได้นะลูกหลานทุกคนนะมีแต่ความจิบหายคิดว่าตัวเองเจริญเจริญก็เถอะนะแต่ความจิบหายยิงอยู่ซึ่งหน้าอยู่ต่อหน้าอีกเราไม่นาน และอีกไม่นานนะเมื่อเรามีลูกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหะเราจะเห็นทิฏฐนเดชหละเมื่อเราทำกรรมสิ่งไหนที่ไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นจะตามสนองเมื่อเราทำให้กับพ่อกับแม่อย่างไรลูกกับเราลูกของเราก็จะทำให้กับเราอย่างที่เราทำให้กับพ่อกับแม่นะั่นแหละถ้าเราทำดีกับพ่อแม่แล้วลูกของเราก็ทำดีกับเราเนะี่ยอยากจะให้ลูกดีต้องทำดีให้ต้องทำดีให้ลูกดู เอออย่างที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกนะอยากจะให้ลูกศิษนะย์ดีในหลวงพ่อหลวงพ่อเนะี่ยอยากจะให้ลูกศิษย์ ด, ดีหลวงพ่อก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูนะเออพวกเราก็เหมือนกันะอยากจะให้ลูกหลานของพวกเราเป็นคนดีเราก็ต้องทําดีให้ลูกหลานของเราดูเออหัวหน้าส่วนราชการเป็นพอ่ออ๋เป็นครูโรงเรียนตำรวจทหารระดับไหนก็ตามเถอะพี่บริษัทห้างร้านเออข้อเถิดนะอยากจะให้คนใน ใต้บังคับบัญชาของเราเป็นคนดีเราเราต้องเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องทําดีให้เขาดูในเมื่อเราทําดีให้เขาดูเราก็จะเดิ น, ดนตามแนวแถวที่เราพาเดินมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะแต่ถึงอย่างไรอย่าลืมนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะในหลักธรรมคำสอดของพระพุทธศาสนาตัวนี้ให้ศึกษานะถ้าเชื่อและไม่เชื่อก็ตามให้ศึกษาเอาไว้ให้ฟังเอาไว้ เพื่อนเาฟังเสร็จแล้วให้ศึกษาให้ติดตามเมื่อความตายแล้วไม่ศูนย์ด้วยเหตุอะไรจรึงไม่ศูญเลอปฏิปิทำยังไงจะรู้ได้ยังไงเที่ยวไม่ศูนย์ถ้าเราศึกษาแล้วเราจะโอ้ใช่เมื่อนั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วอื้อใช่ใจใกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันจริงๆร่างกายนี่รูปประธรรมติจิตใจนะั้นนามธรรม นามธรรมกับรูปรธรรมไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอันกันแต่ร่างกายนี่แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำหลมไฟแน่ๆเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆร่างกายแต่นามธรรมคือจิตใจนั้นอ่ะไม่ตายตัวนั้นอ่ะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญอย่างมากๆเรื่องนามธรรมมโนปุพังเขามาธรมมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าหาว่าใจดวงนั้นดีอันนั้นก็ใจดวงนั้นก็เป็นเทวดาเออเป็นวิญญาณที่มีเหตุมีผลเป็นเทวดาถ้าว่าใจดวงนั้นชั่วอันใจดวงนั้นเป็นผีป่ะเน่ยเออเป็นผีหลอกคนนั้นหลอกคนนี้นะเออเพราะไรเพราะมันเป็นผีมันทำชั่วใจมันชั่วมันก็เลยเป็นผีนี่แหละถ้าว่าใจดีก็คือเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรม เป็นพุท ธ, ธเป็นพระอรหันต์เป็นได้ทั้งนั้นตามขั้นภูมิของใจและดวงวิญญาณ น, นั้นถ้าว่าใจตรงนั้นมันชั่วนะอันดับแรกก็เป็นผีซะก่อนเป็นเปรตเป็นผีซะก่อนต่อไปก็ตกนรกหมกไหม้ไปเรื่อยเนะพราะเหตุอะไรเพราะใจดวงนั้นมโนปุพังตัวนั้นนะคิดไปในทางที่ชั่วก็ชั่วไปด้วยเพราะนั้นพวกเราควรจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาที่ดีนะ ประกอบคุณงามความดีเข้าตนเองบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วนะบุญกุศลจะพาไปสู่สุขตินะไปสู่ความสุขความเจริญนะตอนนี้ไปพระสงฆ์เจ้านุโมทนาให้พร น, นะพรปีใหม่นะ